ทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าช่วยให้ช่วยกาจัดเจตนาแห่งการฆ่าเจตนาแห่งการลักขโมยและปล้นเจตนาในการประพฤติผิดในกามตลอดไปเช่นถ้าเขาเป็นพระโสดาบันไปแล้วเนี่ยนะเขาเลิกฆ่าเด็ดขาดเขาเลิกปร ะ, ะเลิกลักขโมยเลิกปล้นเลิกช่อช่อชนเนี่ยนะเด็ดข า, ต ด, ด, าต ด, ดตลอดไปเลิกประพฤติผิดในกามตลอดไปเลิกพูดเท็จตลอดไปเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเขาจะพูดแต่ความจริงแต่ทีนี้พูดความจริงก็หนึ่งผู้ไร่ถูกการพูดไพเราะเนี่ยนะพูดเพื่อประสานประโยชน์แล้วก็พูดในสิ่งที่มีประโยชน์นั่นเองนะก็เป็นคำพูอ่าเป็นคำพูดที่เป็นคําสัต์คําจริงก็กลายเป็นคนที่ละความชั่วทางวาจาประพฤติสุจริตทางวาจาละสิ่งที่มีโทษทางวาจาประพฤติสุจริตทางวาจาเนี่ยนะพัน สิ่งใดที่เขาเคยทําในสิ่งที่มีโทษในปัจจุบันและต่อต่อไปเขาก็เลิกละสิ่งนั้นและมาปฏิบัติสิ่งที่มีอุปการะคุณในปัจจุบันและต่อต่ อ, ตอไปและที่สําคัญเนี่ยนะพระพุทธเจ้ากําจัดพิษภัยที่อยู่ในทางใจให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายปกติใช้ชีวิตอยู่ด้วยอภิชาเพ่งเลงเนี่ยนะก็เรียกว่านักสูบเนี่ยนะสูบภูตรูปทั้งหลายเนี่ยมาไว้ในใจก็เหมือนกับสูบอะไร สูบสิ่งที่มีโทษนะกินปู น, ะนะคลายแบบนั้ น, นสูบสิ่งที่มาทําให้เกิดความเร่าร้อนก็มาเจริญอนาพิชา น, น, นะซึ่งให้ความเอิบอิอีงความสุขในการบริโภคกามทั้งหลายนยน้อยนิดแต่ความสุขที่เกิดจากการเจริญอนาพิชชาหาประมาณไม่ได้เพราะอะไรเพราะอนาพิชานั้นองค์ประกอบที่บริบูรณ์เลยก็คือประกอบไปด้วยปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเกิดจาก วิเวกเพราะสมาธิเป็นปฏิปักิต่ออภิชาปฏิปักิต่อตันหาพระพุทธเจ้าก็สอนให้สัตว์ทั้งหลายนั้นเอิบอิ่มในสิ่งที่ ไ, ม, ม, ไ ม, ม่ในสิ่งที่ไม่มีโทษในขณะบริโภคขณะนั้ น, น, นและไม่มีโทษต่ อ, ต, อ, ต, อต่อไปในอนาคตพระพุทธเจ้าจึงช่วยพาสัตว์ให้พ้นจากอาภิชาพ้นจากพยาบาทพ้นจากการผูกเวรแล้วก็มาเจริญเมตตาให้สัพพสัตว์ทั้งหลายดารงอยู่ด้วย เมตตากลายเป็นเมตตาวิหารีบุคคลกลายเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณามุทิตาเป็นต้นอันหาประมาณไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้ากำจัดพยาบาทให้แกสพรพพสัตว์ทั้งหลายก็ช่วยเขาให้พ้นจากภัยคือความพยาบาทช่วยให้เขาพ้นจากภัยคืออภิชาและที่สำคัญมากอันหนึ่งเลยก็คือช่วยให้สัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากมิจฉาทิฐิเ โดยเฉพาะทิฏฐิเนี่ยเขเรียกว่าสิ่งที่รกสิ่งที่เป็นป่ารกสิ่งที่เป็นป่าชัดรกชัดเนี่ยนะมันข้ามไปได้ยากคือมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามที่มันทิมแทงใจก็คือมิจฉาทิฏฐิทางคดทางคดเนี่ยก็คือมิจฉาทิฏฐิทางที่ไปสู่สิทธิที่ไม่ปลอดภัยก็คือมิจฉาทิฏฐิทางที่ไปสู่นรกเปรตเดรัจฉานเป็นต้นก็คือมิจฉาทิฏฐิมันกันดานคือ ทิถิทนี่นะโอค่าเหมือนห่วงน้ําวังน้ำวนที่ท่วมทัสบสัพพะสัตทั้งหลายก็คือมิจฉาทิฐิท่นี่นะฆ่าศึกเพชะฆาตศัตรูเรียกว่าผู้ทําลายทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปก็คือมิจฉาทิถิทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ช่วยให้สัตว์นั้นข้ามพ้นจากมิจฉาทิฐิอกกุศลรมบ ท, ที่นี่นะนํามาซึ่งความเดือดร้อนทุกข์ร้อนเร่าร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไป พระพุทธเจ้าเนี่ยนะจากการเกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยทำให้สัตว์ทั้งหลายกําจัดอกุศลกรรมบดเหล่านั้นได้อย่างเด็ดขาดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกชวนสัตว์ทั้งหลายกําจัดเจตนาในการฆ่าได้อย่างเด็ดขาดกําจัดเจตนาในการลักทรัพย์ในการประพฤติผิดในการนะในการพูดเทป พ, พูดคํำยาพูดเพ้พอเอจ้อพูดส่อเสียดหรือกําจัดอภิชาพยาบาทกําจัดมิจฉาทิฐิถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นมาในโลกโดยเจพาะมนุษย์ยุค ประมาณต่ากว่า500ปีลงมาสมัยนั้นอกุศลกรรมบทเฟื่องฟูมากที่สุดถ้าไม่มีคำสอนเนี่ยสัตว์จะอยู่ด้วยอะไรอย่างปัจจุบันเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมีความสุขในการไม่ฆ่าเองแต่ก็มีความสุขในการดูการเข็นและการฆ่ามีความสุขในการดูการฆ่ามากถามว่าดูจากอะไรดูจากสื่อทั้งหลายที่ผลิตออกมาในโลกเป็นเรื่องการฆ่าทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่เนี่ยนะ ภาพยน์ทั้งหลายก็เป็นสื่อเกี่ยวกับการฆ่าทั้งนั้นแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายมีอทธยาศายยินดีในการฆ่าถ้าไม่ยินดีในการฆ่าจะไม่ชอบดูไม่ชอบบริโภคสิ่งนั้นเป็นแน่แท้แต่ตัวเขาเองยังไม่ฆ่าเพราะอะไรเพราะไม่มีปัจจัยที่ทำให้เขาฆ่าเมื่อได้เวลาเขาก็จะฆ่าแต่เมื่อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกปานาติปาตาเวรมณีก็เกิดขึ้นมาเนี่ยนะ ถ้าในอย่างในยุคอย่างนี้ด้วยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยการสมาทานกุศลศีลทั้งหลายเหล่านี้จะมีไหมนับว่ายากมากเลยนะจะถือว่าศีลทั้งหลายเหล่านี้มีเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีค่าแต่เนี่ตอนหลังมันก็ค่อยๆเละเลือนไปเนี่ยนะก็สมาทานแต่วาจาเจตนาที่ตั้งใจอันนั้นไม่มากเนี่ย น, นะกำลังใจตัวนั้นอ่ะไม่ค่อยมากเพราะไม่คิดว่าศีลเนี่ยเป็นตัวเป็นทรัพย์นะไม่คิดว่าศีลเนี่ยเป็นทรัพย์การสมาทานนั้น ก็ไม่ได้ทำด้วยความจริงใจเท่าที่ควรจะเป็นคือไม่มีความคิดวันนี้คือความจริงของเราว่าจะด้วยเหตุผลใดาปานาทิปาตาเวรมนีจะไม่ให้เจตนาในการฆ่าเกิดขึ้นในใจเราจะไม่ให้มีเจตนาในการลักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นต้นเกิดขึ้นในเราวันเราจะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการ ก็คือทำลายเจตนาในการฆ่าทำลายเจตนาในการประพฤติผิดในการทำลายเจตนาในการลักทรัพย์ทำลายเจตนาในกา ร, ก พ, าาการพูดเท็จพูดคำยาพูดเพ้อเจอ้อพูดส่อเสียหรือแม้กระทั่งรกรรมจัดอภิชาด้วยอะโลภะกําจัดโลภะด้วยอโลภะกําจัดโทสะด้วยอโทสะกําจัดมิจฉาทิฐิด้วยสัมมาทิฐิขณะเดียวกันเนี่ยนะ ไม่ยินดีหมายก็ว่าไม่สรรเสริไม่ใช้ให้คนอื่นฆ่าไม่ใช้ให้คนอื่นลักไม่ใช้ให้คนอื่นประพฤติผิดในการไม่ใช้ให้ผู้อื่นพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเผลอเจอไม่ใช้ให้ผู้อื่นเจริญอาพิชชาเจริญพยาบาทไม่ใช้ไม่ไว้วานให้คนอื่นเจริญมิชฉาทิฐิขณะเดียวกันก็ไม่สรรเสริญไม่ยกย่องการฆ่าไม่ยกย่องการ ลักทรัพย์ไม่ยกย่องการประพฤติผิดในการมนะไม่สันไม่ยกย่องไม่สรรเสริญในเรื่องของการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเผอเจอไม่สรรเสริญอภิชาพยาบาทแล้วก็มิจฉาทิฏฐิอนนี้ตรงกันข้ามไม่ดีใจเลยเมื่อคนอื่นฆ่าหรือถูกฆ่าไม่ดีใจเลยเมื่อคนอื่นรักหรือถูกรักคนอื่นปล้นหรือถูกปล้น นนะไม่ดีใจเลยเมื่อคนอื่นไปประพฤติผิดในการมหรือว่าถูกประพฤติผิดในการมไม่ดีใจกับคนที่มูสาวาทหรือกําลังถูกมูสาวาทไม่ดีใจกับคนที่ล่วงอกุศลกรรมบทและคนที่ถูกผู้อื่นประทุสลายด้วยอกุศลกรรมบทไม่สรรเสริญไม่ยกย่องการล่วงอกุศลกรรมบทโดยประการทั้งปวงความคิดอันนี้เป็นสิ่งที่มีเป็นทรัพย์เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มี คุณค่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นมาในโลกสิ่งเหล่านี้เราจะได้ยินได้ฟังจะได้รับการยกย่องและการสรรเสริญไหมจะมีการบูชาธรรมะเหล่านี้ไหมสังเกตดูว่าเมื่อพระพุทธศาสนาจางคลายค่อยๆดับหายไปจากโลกเจตนาในปานาติบาก็กลับมาเฟื่องฟูดังเดิมเจตนาในอตินนาทานก็กลับมาเฟื่องฟูเนี่ยนะเรียกว่าแพร่ขยาย แนะพร่ขยายเป็นไวรัสใช่ไหมก็เลยถูกฆ่ากันระบาดเป็นเบือกันไปหมดเลยเนี่ยนะเจตนาในการเมสุมิจฉาจาร์ก็แพร่ระบาดเนี่ยนะเจตนาในพู้เท็จ ก, ก็แพร่ระบาดว่าข้อมูลจริงเนี่ยมีกี่อย่างก็ไม่รู้นะเจตนาในส่อเสียดเนี่ยนะยุแยงตะแคงรัว่วเป็นต้นเนี่ยอ่ามากมายแล้วก็เจตนาในคำหยาบเจตนาที่อ่มุ่งในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทั้งผู้ให้และ ผู้รับเจริญทั้งอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิอกุศลกรรมบทก็เฟื่องฟูและมีกําลังนั้นในอย่างในยุคปัจจุบันนี้ก็น่าดีใจว่ายังมีคําสอนเมื่อยังมีคําสอนก็ยังมีกุศลกรรมบทอยู่ถ้าไม่มีคําสอนกุศลกรรมบทก็ดับสูญสลายไปจากโลกพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นสัมมาสัมพุทธภาสัตข้ามออกจากปานอธิบาิถือว่าทะเลทุกใหญ่มากเลยนะ พ่อพกับทะเลนรกเลยแหละปานาธิบตัตเป็นทะเลแห่งนรกพระพุทธเจ้าพาข้ามจากทะเลนรกคือปานาธิบาตข้ามพ้นจากทะเลนรกคือการลักทรัพย์การประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดคําหยาพูดเพ้อเจ้อแล้วก็ส่อเสียดแต่และอย่างเนี่ยเป็นทะเลทุกขทะเลนรกเลยแหละเพราะอะไรเพราะการล่วงการประพฤติผิดสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุให้ไปสู่อาบายทุกติวินิบาตแล้วก็ นรกเร่าร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปเร่าร้อนทั้งชาตินี้และชาติต่อต่อไปเราจะไม่เคยได้ยินว่าคนที่ทําปาณาติบาตแล้วใช้ชีวิตอยู่เป็นสุขไม่มีความสุขเลยเพราะอาจยากรสงครามทั้งหลายไม่มีความสุขเดือดร้อนในภายในไม่กี่วีผู้นําทั้งหลายที่สันเสริญการฆ่าผู้นําเหล่านั้นเดือดร้อนหมดเลยะเดือดร้อนในปัจจุบัน แล้วก็สิ่งเหล่านั้นเป็นวิญญาณที่มาตามหลอกตามหลอนอีกเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ชั่วช้าเลวร้ายเดือดร้อนอาคีรวาประทุสลายผู้นั้นทั้งในปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกช่วยให้สัตว์เนี่ยข้ามพ้นจากอากุศลกรรมมาบทเหล่านั้นให้สัตว์เนี่ยนะมีคุณธรรมช่วยให้สัตว์เนี่ยมีคุณธรรมคือกุศลกรรมมาบททั้งหลาย เพระพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยให้สัตว์เนี่ยดำรงอยู่ในกุศลกรรมบทกุศลกรรมบทเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ทําให้สัตว์เนี่ยสำเร็จสมความปรารถนาเพราะผู้ใดรักษากุศลกรรมบทดีปรารถนาความเป็นมนุษย์ก็สําเร็จปรารถนาเป็นมนุษย์เช่นกษัตริย์มหาศาลพรามมหาศาลครืคหบดีมหาศาลนนะก็ปรารถนาสําเร็จขอให้เขาดํารงมั่นอยู่ใน กุศลกรรมบทสิประการเนี่ยนะกุศลกรรมบทสิบประการเนี่ยเป็นเหตุให้เขาเกิดในสุขติโลกสวรรค์ปราถนาในสวรรค์ชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมาน า, นาดีป i p a มิ n i m i t a s w a d เขาก็ประสบความสำเร็จได้เกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆได้เพราะเขาเจริญเจริญกุศลธรรมอันนั้นไม่ใช่วันนั่งอยู่เฉยๆนะคำว่าเจริญเนี่ยนะก็คือเจริญกุศลเจตนา จเจริญกุศละเจตนาเพื่อทำลายเจตนาในปานาติบาตหรือเรียกว่าสมาทานสินสมาทานอธิฐานตั้งมั่นในคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดให้บ่อยแล้วก็ต่อเนื่องทุกข้อในกุศลกรรมบททั้ง10ประการทีนี้ในระดับสูงเข้าปรารถนาเกิดในพรหมปุโรพรหมปริสัชชาพรหมปโรหิตาหรือมหาพรหมมาก็สำเร็จถ้าเขาจเจริญอนพิชา ให้มีกําลังประกอบไปด้วยปฐมฌานเนี่ยนะที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเกิดจากสมาธิหรือเจริญอัภยาบาตรคือเมตตากรุณาและมุทิตาทั้งหลายถ้าเขาอยู่ดํารงอยู่ด้วยพรหมวิหารทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็ไปสู่สุขคติพรห ม, มโลกได้แล้วก็อันอันหนึง่งถ้าเขาอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิเขาก็ข้ามพ้นจากวัตถทุกข์สังสารทุกข์ทั้งปวงได้ขอให้เจริญในสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าเนี่ย การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะบอกทั้งหมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่ากรรมนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เป็นอจินไตยการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นการบอกสิ่งที่เรียกว่าเป็นอจินไตยพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เป็นอจินไตยหมายคำว่าไม่มีใครเนี่ยสามารถรอบรู้ในคุณของพระองค์ได้ครบถ้วนเว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าด้วยกันนั้นจึงเรียกว่าเป็นอจินไตยคิดยังไงก็คิดตามไม่หมด เรื่องกรรมก็เป็นเรื่องของอาชินใดเหมือนกันเจตนาค่าเจตนาในการทําปานาติบาตเนี่ยมันให้ผลเนี่ยทั้งปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปหลายภพหลายชาติเจตนาที่เว้นจากปานาติบาตเป็นสิ่งที่มีคุณทั้งในปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปเนี่ยนะเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปพระพุทธเจ้าสรรเสริญเอ่า กุศลเจตนาเว้นจากปานาติบาตตํานิติเตียนเนี่นะเจตนาในการทําปานาติบาตให้สัตว์เว้นจากการฆ่าและมารักษากุศลธรรมเพื่อการไม่เข็นไม่ฆ่าและพระพุทธเจ้าบอกว่าเจตนาเนี่ยนะเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องอาจินตยพระองค์สามารถเอามาแสดงได้ว่ากรรมบางอย่างให้ผลในชาตินี้กรรมบางอย่างให้ผลในชาติหน้ากรรมบางอย่างให้ผลใน ชาติที่สามเป็นต้นต่อต่อๆไปกรรมที่เคยทำแล้วในอดีตมาสามารถให้ผลในปัจจุบันกรรมในอดีตสามารถให้ผลในอดีตก็ได้ให้ผลในปัจจุบันก็ได้ให้ผลต่อต่อไปก็ได้กรรมที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันก็ได้ให้ผลต่อต่อต่อไปก็ได้ทีนี้กรรมเนี่ยมันไม่ได้มีกรรมคือเจตนาวันหนึ่งชีวิตของเราไม่ได้มีเจตนาอันเดียว เจตนาเป็นทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นปุญญาพิสังขารบ้างเป็นอปุญญาพิสังขารบ้างทำดีบ้างทำชั่วบ้างทำบุญบ้างทำบาปบ้างคละเคล้ากันไปวิบากของกรรมมันก็ให้ผลชนิดที่เรียกว่าคละเคล้ากันไปเคยทานต้มยำไหมมันมีอะไรมีรสหลายรสใช่ไหมรสอะไรเปรี้ยวก็มีเค็มก็มีเผ็ดก็มีกลิ่นเครื่องเทศ ข, ของหอมเป็นต้นก็มีมันก็จะให้กลิ่นไปตามนั้นไป